ปิมาดิสังราชาทัตละทูปิสาสติขันธปาลังอาทิตติมหาราชายติโสปุตตาปิตาอ a วุธมานาภัพนไลทมันุิมันวันนวันโตเยสกินโนโมมานาทังสุ ตักนันเดริสังราชาวิรุณโหตับพัสสติกุมภันธานังอาทิตติมหาราชายติโสุูตาวิตาตานาวุมานามาปัญไลติมันโตติมันโวันนวันโุยัสัทินโนมุมานาทังสุ ว a ตถิมันเยริสังลาชาวิรูปะโคเบศัสติมาคาลังอาทิตติมหาราชายติตโสปุตตาวิตัสสัสมหวุมนามหปลยติมันโตุิมันโตวันนวนโตเยสตินโมตมนาทัง อุตระัญญสังขละชาคุเวโรตัพัสาสติยานังอาิตติมหาราชาเยสาิปุตติตสสโวตมนามหาปัติมันโตชิิมันโตวันวันโตเยสิโนมตมนาทังส อริมาติสังทัตละโทตากิเนนวิรุณะโกปชิเมนวิรูปะโกเวโรตระมิิสัจตาโรเตมหาราชามันตาจตุโลติสังทัตธัลมาณาทังสุเปตวานไม่ตั้งไม่ตายทันตาวิจิตติกิตาบริสังพนันตุ ถ้าเหตุข้ามิเจอรูปเฆี่ยนสิสาระถ้าเหตุจันทริกเหวี่ยมานีย์อิปิระเถิดามิเจรูปนักขนเีหาวัตุมิเหตุยะมจายันตุเทวาฉลัลวิสมยยาขคันทปนาคา ปัญญาสันติเกี i ยงมุนีวรวจณังสาธุโหมีสุนันตุธรรม a วาลกาลูอายมพัฒนตาธรรมวกาลูอมันตาธรรมวกาลูอมันตาีเกลางอดีตลลก คำว่าเด็ลดล้ำเลึกในที่นี้จะไ้กล่าวถึงความหลังๆที่แล้วมาเดินทีได้ตั้งใจไว้ว่าจะกล่าวถึงผลของการปฏิบัติในด้านทิฏฐิจุคากุญญาและอจิญญาบางส่วนเป็นการถอยหลังของชาติที่เรียกว่าะระลึกชาติผลหลังเรียกว่าปุเบกีวาสานุสติ ญ, ญา การที่จะกล่าวอย่างนั้นโดยเฉพาะก็ืที่เจ้านายเห็นแล้วว่าอาจจะเป็นโทษสําหรับบุฟังเพราะว่าการกล่าววาจาใดๆก็ตามที่ไม่ปรากฏอยู่ในโลกนี้หากว่าท่านบุฟังเชื่อถือก็เป็นการดีหากไม่เชื่อถือในการกล่าวคล้ายๆก็อาจจะเป็นโทษในการกล่าวเป็นความเป็นจริงนั้นได้ เป็นอีกประการหนึ่งสำหรับโทษย่อมไม่ได้เกิดจากแต่ผู้ฟังโดยเฉพาะผู้กล่าวเองก็ย่อมจะมีโทษทั้งนี้เพราะว่าการกล่าววาจายอย่างนั้นเป็นการกล่าวเล่าเรื่องราวที่เป็นมาแล้วก็เป็นเหตุที่บรรดาพุทธบรรดาประจายชนทั้งหลายจะรู้จะเห็นตามนี้ได้ทั้งนี้เพราะว่าขึ้นที่วิญญาณแห่งการปฏิบัติ จะมีได้เฉพาะบุคคลบางคนองสมเด็จประพุทธสกลบรมศาชนาะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ตามในที่พระพุทธโคสอาจารย์ปรุชนนาคำพีพระวิสุทธิมัตต์ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลผู้เจริญสมาธิทั่งมันสั่งพันคนจะได้ทิพยกุยางสักคนหนึ่งเขาย่อมสป็การยาก โด่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าได้เอาปัญญาได้แล้วก็เป็นของยากมากที่บุคคลจะฝึกปฏิบัติได้ยย่จะไม่เป็นสาธารณะแต่บุคค ล, ลบุกบคคลทั้งหลายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าผูกฟังไม่เคยปฏิบัติในสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานจนกระทั่งทําฌานให้ปรากฏไม่ว่ามีวิปัสนาญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอันถูกต้องให้แจ่มใส อย่างนี้ถ้าจะกล่าวไปในเรื่องอดีตลํำลึกกล่าวคือเหตุของปุตนิวารสาลสติาายานก็จะเป็นการยากสําหรับผู้ฟังดีไม่ดีผู้ฟังที่เป็นนิสชาทิสิก็จะกล่าวคำขัดขานย่อมเป็นโทษดังนี้เหตุนี้องค์สมเด็จเปชินาสีบรมศ า, าสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวแก่พระโมคคันลา ในสมัยที่ระโมกกันลาพบอิเปเรตที่ภูเขาที่เจโกรตศับพระผู้เดินทางร่วมกันองค์หนึ่งในเวลาเชา้าท่านระโมกกันลาได้เห็นไอิปเรตผเปรตที่ในร่างกายเป็นงูจะมีหัวเหมือนคนและก็ทำการแย้มให้เป็นากดนี่เป็นสัญลักษณ์ของบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายและองค์สมเด็จพะสัมมาสัมพุทธเจ้า จนม่เห็นเมื่อรู้อะไรด้อยการผิดปกติแต่จะสภาวการแย้มคือยิ้มในน้อยให้ปรากฏทั้งทั้งที่ไม่มีเหตุจะเพิงยิ้มสําหรับบุคคลผู้เดินทางร่วมนี้เป็น ก, นการแสดงว่าท่านได้เห็นสิง่งใดสิ่งหนึนหนที่เป็เหตุเกินยุ่งย่ที่บุคคลที้เดินทางร่วมจะเพิง่งรู้ได้แล้วท่านมะโมกันลาได้ทําการแย้มยิ้มอย่างนั้นให้ปรากฏ ภรักันนะคือพรผู้เดินทางร่วมที่วรัตกณัณนะในถามพระโมกขลาว่าทันเตมโอกขลานะข้าแต่พระโมกขลาผู้เจริญเว <c oughs> ลาท่านทำการยิ้มเพลินใดท่านพระโมกขลาจะเลยตอบว่าท่านจึงถามเรื่องราวนี้แต่เราในสำน่งของสมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด เ่นต่อมาพระท่านธโมกขันลได้เข้าไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าตอนฤาษพระลักษณะระมรดาพระสงฆ์ทั้งหลายประชาชนเป็นจำนวนมากเพเวลานั้นองค์สมเด็จพระพูทมีรพระพ่ายเจ้าทรงจัดพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริการเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบท่านพระลักษณะจึงได้ถามท่านธโมกขันลาว่าท่านได้ให้สัญญาแก่ตัวผมไว้ ว่าการย้ในตอนเช้านั้นท่านให้ถามท่านในเวลาที่อยู่ในสนาคงสมเด็จพระภูมิมีพระมาเจ้าแต่เวลานี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมาสาวนนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงว่าอยากิดเแห่งการแสดงพ ร, ระธรรมเทศนาแล้วขอท่นานพระโมคคัลลาจงบอกเหตุแห่งการยิ้มในตอนเช้าให้กับผมฟังท่านพระโมคคัลลาเมื่อได้ฟังท่านตรัสรณะกล่าวดังนั้นก็ยิ้มอีกครั้งหนึ่ง แจกล่าวว่าท่านพ ร, าาระรัตน์ในตอนเช้าที่ผมเดินออกบินลำบากกับท่านตอนที่ลงภูเขาที่เจียกูดนั้นผมได้เห็นเปรตตัวหนึ่งมีรูปร่างเหมือนงูแต่ที่แทเป็นคนเราให้ชื่อเปรตตัวนี้ว่าไอาเปรตเราคือเปรตมีร่างกายเหมือนงูทรงซึ่งเกตว่าผู้มีพระผ้าเจ้าทรงได้ทร ง, งสันดับคําพระโมกขลากล่าวดังนั้นก็ทรงแย้มยิ้มอีกแล้ว แล้วก็กล่าวว่าโมกขลานนะากล่าวคือเปลตตัวนี้เราเองก็ได้เคยเห็นแล้วในสมัยที่บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณในระหว่างที่อยู่ใต้ต้นโคนต้นไม้โพ ท, ที่บรรลุนั้นแต่ว่าเราไม่มีพย า, ยานแห่งกายกล่าวเราคือไม่ดมีบุคคลอื่นเห็นด้วย เม่ไม่มีคนคนอื่นรู้ด้วยเห็นด้วยอย่างนี้ถ้าเราจะกล่าวไปก็ย่อมเป็นโทษสําหรับผู้ฟังกล่าวคือบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อแต่นั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมาาสมารีราสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้กล่าวว่าเวลานี้เรามีพยานแล้วคือโมกขลานะเป็นผู้เห็นเราจะได้กล่าวเรื่องราของไอฮิเบลดนั้นต่อไป แล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวถึงโทษของอาชีพว่าในสมัยก่อนได้ทาบาปกรรมอะไรไว้บ้างในตอนนี้ก็จะขอละงับเสียที่กล่าวไว้แต่เพียงนี้ก็จะได้อ้างเป็นเหตุว่าการกล่าววาจารใดก็ตามที่บุคคลทั้งหลายไม่สา ม, มารถจะรู้ด้วยจะเห็นด้วยย่อมเป็นโทษสําหรับผอกฟังและก็เป็นโทษสําหรับผอกกล่าว ผู้ฟังก็จะมีความลำบากใจหาว่าพระในพระพุทธศาสนานี่นําเอาอะไรต่ออะไรมากล่าวที่ไม่เป็นความเป็นไปตามความเป็นจริงก็จะพาพากานกล่าวโจทย์ฉันขานโทษคืนถ้าเหตุนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงบุคคลผู้กล่าวก็ย่อมมีความลำบากในเมืเขารู้ด้วยเห็นด้วยไม่ได้อย่างนี้ถ้าฉันพูดใหม่ ก็อาจจะถูกกล่าวดินทาว่าร้ายเรื่องการนินทาว่าร้ายเป็นของธรรมดาพระอย่างฉันรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่จะตกแท่นแต่ถ้าว่าวีคนบุคคลบางพวกที่จิตกับตนเป็นผู้พิเศษมีความรู้ในทิตแห่งพระศาสนายุกเรื่องเราอย่างนขึ้นเรื่องการโจดกล่าวคือกล่าวโทษฟ้องร้องถึงก็ต้องมีคดีในทางพระพุทธศาสนาแล้วความลําบากก็จะเกิดขึ้น ความเล่าร้อนในบุคคลผู้สนับสนุนและฉันเองและบุคคลผู้กล่าวโทษก็จะมีมากขึ้นฉะนั้นในที่นี้ในโอกาสนี้จึงจะงดเว้นเรื่องปุกเีนนวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังเสียอะไรบ้างพอที่ต้องการจะให้รู้ก็จะได้เขียนเป็นลายลักษณอักษรให้ลูกเอาไว้อ่าน ไปคิดว่าจะกลับใจไม่พูดเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะกล่าวเรื่องในอดีตของฉันเพื่อเป็นนิทานแต่ว่าหมายความมาฟังกันอย่างฟังนิทานก็แล้วกันเฮนี้กล่าวประวัติของฉันตั้ตาตาอดีตเท่าที่จําได้ในเวลานี้ความจริงเวลานี้มันก็แก่มากแล้วมีความหลงห ล, ลงลืมลืมไปมากอะไรบ้างพอที่จะจําได้แล้วเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง เนตงการและแนวทางแห่งการปฏิบัติเฉพาะี่หมายความว่าการปฏิบัติที่ให้เกิดผลนั้นคนหนึ่งอาจจะทำอย่างหนึ่งเป็นเหตุเฉพาะไม่สาธารณะแก่บุคคลทั้งหลายก็ตามทีแต่ปฏิปทาอันนี้ก็สามารถจะชักจูงใจบุคคลผู้หวังในการปฏิบัติที่มีความเรื่อมใสมีความหวังดีแจ่ตนเองให้เกิดผลได้บ้างพอสมควร ในตอนต้นที่เงียกกล่าวถึงเราในตอน เ, เล็กๆในตอนเด็กที่ก่อนที่จะมาเกิดเพราะว่าขณะที่มาเกิดแต่ยังไม่ปรากรร่างกล่าวคือในตอนเข้าปฏิสนีิในสุขันมารดาตอนนี้ถ้าจะกล่าวโดยในที่มารดาคือแม่ของฉันเป็นผู้ฝันท่านเล่าให้ฉันฟังในตอนในตอนเมื่อฉันโตแล้วประมาณอายุสิบสี่สิบห้าวัน ตอนที่ฉันจะมาเกิดที่ท่านจะตั้งคันท่านบอกว่าท่านได้ฝันเห็นพระพุทธรูปทองคำอง์หนึ่งเป็นทองเหลืองอารามสุขใสามากมีดาวประดับเต็มตัวลอยมาจากทิศเหนือว่าลอยมาจากบนฟ้าลงมาจากบนฟ้าเข้าทหนาจากตัวทิศเหนือของบ้านแล้วก็ลงมาหาท่านท่านบอกว่าท่านได้เอือ้อมมือไปรับ พระอง์นั้นก็เข้ามาอยู่ในตักของท่านท่านก็บราคตรคองเป็นอันดีเพียงเท่า น, นี้ท่านก็ตื่นจากที่นอนคำว่ารูปทองอารามไม่ไดแ้แปลว่าเพ็นดาวเป็นเครื่องประดับแต่ีเพชเป็นเครืงปรดับนั้นเย้ตอนนี้ฉันก็จะเล่าอะไรให้ฟังต่ออีกสักนิดก่อนที่ฉันจะมาเกิดเป็นคนในชาตินี้ไดอรนาที่ปกปเอนิวาสานุสติญาณ กันทราบในตอนหลังว่าฉันอยู่ก่อนที่จะเกิดในชาตินี้ฉันเกิดเป็นสมหลังจากสมัยพระนารายมหาราชที่ฉันมาเป็นทหารเอกในสมัยนั้นเริธรน ม, าามมาสมมาทหารเอกหรือว่าทหารขู่ก็ไทยทเมฉันรบจนช้ำแล้วฉันก็ตายก่อนจะตายเรื่องในเวลาที่พักรบ ตอนนั้นฉันได้เจริญสัมปทากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานกับอาจารย์องค์หนึ่งที่สอนฉันไว้จนกรทั่งฉันได้ฌานสมาบัติถึงฌานสี่แล้วก็มีวิปัสนาญาณพอสมควรเมื่อเวลาจะตายฉันตายในระหว่างฌานแต่ว่าเป็นฌานชั้นต่งคือผสมฌานเพราะเวารตายในระหว่างฌานนั้นจึงไปเกิดเป็นลมชั้นที่าเรียกว่าสัมเสีลม แต่นั่นแหละจันทิปสัมมาเกศีสุม์ทน่นเราไปเกิดเป็นภูมแล้วได้พิจารณาตัวเองว่าเรานี้ได้ปรารถนาพระพุทธภูมิเราคือปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการถ้าเราจะอยู่ในสมัยที่เป็นภูมินานเกินไปเป็นเวลาหลายหลายกับแดมนาตบารมีเห็นว่าการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมเด็จพปะจินทร์สีบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้า คอยเวลากว่าจะบารมีนี้เต็มก็นานนักนี่เลหาทางรักกล่าวคือจุดติดจากความเป็นพรมในยะที่ยังไม่หมดอายุนั้นลงมาเกิดในตระกูลที่สมควรแต่ตระกูลที่ฉันไม่เกิดนี้ไม่ใช่เป็นตระกู ล, ลร่ํารวยเจ็ดผีมหาเจ็ดผีก็หามิได้เป็นตระ ก, กูลที่มีการกินอยู่พอกินพอใช้ในปีหนึ่งปีหนึ่งเท่านั้น อันนี้ลูกควรจะสงสัยว่าเทวดาก็ดีตรมก็ดีที่จะลงมาเกิดสามารถจะเลือกตระกูลที่เกิดได้ตามความประสงค์เพราะไม่เหมือนคนตายถ้าก่อนที่เขาจะลงมาเกิดเขาก็ตรวจดูตระกูลก่อนว่าตระกูลไหนก็เหมาะสมกับเราหรือไม่ถ้าตระกูลไหนเหมาะสมก็ลงมาเกิดตามอนาจบุญบามี ก็เมื่อฉันเป็นภพอย่างนี้ทําไมฉันจึงไม่มาเกิดในสำแนักของพระมหาการัดที่มีความอยู่เป็นสุขอันนี้ถ้าจะคิดกันไปแล้วก็คิดว่าถ้าการตับสินใจก็งฉันมาเกิดในตระกูลที่ยากจนอย่างนี้คุณจะเรียกเขาว่ายากจนทำปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม้ยควาว่าถ้าจะเหลือบ้างมันก็เล็กนอก้อยอยู่ในฐานะที่ไม่มีไอคีดหนกัก ก็เลยเปนการไม่สมควรกัในฐานะที่เป็นขมควรจะเลิกสกูลกันสัตว์หรือว่าอัรมหาเสนาบดีหรือว่าเสนาบดีหรือเสนาผู้ใหญ่ที่มีฐานะสูงใหญ่ที่จะสมควรจะคิดเป็นอย่างชาวโลกโลกแต่ว่าถ้าคิดถึงจิตใจของฉันในตอนนั้นนี่เส้นโทนหลังไปแล้วนะเป็นจะไม่จึงว่าจะไม่พูดเรื่องปุตตะในวาสานุสติญา ในเรื่องรามันก็บังคับเน้นมาบังคับกัน เ, นเล่ากันไปใครถ้าเยาะเย้งไงก็ช่างเขาในจิตใจของฉันในตอนนั้นคือตอนที่ติดกล น, นี่ฉันถอยหลังเข้าไปดูเนื่องนาฏนาคตังให้อตีตังสี่ยานมีความรู้เรื่องราวในอดีตมีคนที่ลายานต่างๆและมีประโยชน์อย่าง ถ้าต้องการจะรู้เรื่องราวในอดีตอะไรต่ออะไรรู้ได้ตามความประสงค์พอเมื่อรู้เสร็จแล้วก็หมายความเมื่อได้แล้วแต่มันก็ขี้เกียจรู้ไม่ขยันรู้เมืคนที่ยังไม่ได้คนที่ยังไม่ได้ม่ฉันยังไม่ได้ฉันก็คิดว่ามาำได้ฉันจะรู้อย่างนั้นฉันจะรู้อย่างนี้ตอนต้นๆมาจิตมันยังพอบคูนเพาได้กิเลสมากๆมันก็อยากเหมอนกันอยากจะดีอยากจะเด่น แต่พ อ, อตอนนี้จิตมันเศร้าลงมากันแล้วไอ้ความอยากดีอยากเด็นมันก็หมดไปเนรเป็นคนไม่อยากรู้มันก็แปลกเหมือนกันเอาละจะเล่าต่อไปถึงเรื่องการอยากรู้ไม่อยากรู้นี่ก็ปล่อยไปเถอจิตตอนนั้นคิดว่าถ้าเราไปเกิดในตดะคุณของธรรมหายกสัตว์ด้วยการเป็นโฟมในจิตปจะคิดรู้ค้อยหลังออกไป ตอนนี a, que, ้เราเคยเกิดเป็นกษัตริย์แล้วหรือเปล่าล้วภาระของกษัตริย์เป็นยังไงพอหลังแปก็รู้เลยทีเดียวว่าการเกิดเป็นประมหากษัตริย์นี้เราเกิดมาหลายร้อยวาระเป็นกษัตริย์หลายร้อยครั้งอาจจะนับเป็นพันครั้งก็ได้แต่ความเป็นกษัตริย์ไม่มีความสุขสําหรับภาระคนทั้งประเทศต้องเอาทุกข์ของรัชดานทั้งประเทศกำมำแบกไว้ เจ้าสัตว์มีแต่หน้าที่แห่งความเป็นทุกข์แทนนัตตนคนโง่เท่านั้นที่จะปรารถนาความเป็นกษัตริย์ในบุญที่เรียกว่าที่เรียกว่าโงูหมายความว่าะเยื่อญาติโยธิญาในความเป็นกษัตริย์ในฐานะที่ตนเองไม่มีโอกาสจะเป็นกษัตริย์ในบุญบารมีบ้าคิดว่ากษัตริย์เป็นสุขแต่ความจริงกษัตริย์ทุกพระองค์มีทุกทุกมากงู้แต่ประชาชนปัจจุบัน ถ้าเราจะดูตามหมายมกำหนดการแต่ละวันละวันฟังทางวิทยุหรือดูทางโทรทัศน์ก็จะเห็นว่าพระองค์ไม่มีเวลาเป็นของตนเองเลยน้อยนักปีหนึ่งจะมีเวลาเป็นส่วนพระองค์มีความทุกข์มีความสุขเฉพาะพระองค์มีเวลาน้อยเต็มทีตัวใหญ่หน้าที่บังคับต้องรับสุขรับทุกข์ไปในงานโน้นไปในงานนี้ตามหมายกาหนดการเมือ่อขากำหนดให้แล้วก็ต้องไป ไปในฐานะที่เป็นกษัตริย์ทคงเคยอ่านเรื่องราวของพระองค์เมื่อพระองค์ทร ง, สงสเสด็จตามประเทศพระองค์ทรงกล่าวไว้ในหนังสือดังว่าบางวันปวดฟันเกือบจะตายไปกาดชาไปทั้งทึกษางแต่ว่าหมายกำหนดตายเขาเขียนไว้แล้วว่าให้ไปก็ต้องไปนี่ความทุกข์ของพระกษัตริย์บางวันพระองค์ก็ทรงพระบัญชวมีความปวดท้องมีความหิวมีความกระหายมีความเหมเนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกัน ตรงจงกล่าวว่าฉันเป็นปู่ตุชนนี่ฉันไม่สามารถจะระ ง, งับทุกเวทนาได้แต่ว่าความจําเป็นมั น, มนบังคับฉันก็ต้องไปไปอย่างทนทุกเวทนาจี่เห็นจะเห็นเลยว่าสัตว์ไม่มีเวลาเป็นของตนเรื่องราวต่างๆที่เขาเะเลยก็ไปจะเป็นผิดหรือเป็นถูกก็าตามใ น, นเมื่อเขาบอกว่าปัญญ า, ยาหลักฐายคบรบเป็นบื้องบ องก็ต้องทรงตัดสินในตามนั้นในเรื่องราวของพระหากัารัยดังนั้นกนตรัดอาจจะตัดสินคนที่ไม่มีความผิดให้กลายเป็นบุคคลผู้มีความผิดคนที่ไม่จําที่จะต้องฆ่าให้ตายให้เป็นคนที่ถูกฆ่าให้ตายาเพราะเหตุแห่งพยานที่ตีละกันพิจารณาเสนเอไปให้องค์พระองค์ทรงตินอย่างนี้อาจจะเป็นได้ตัวอย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรา <c oughs> เกิดเป็นพระเตมีพระเตมีในความจริงทำไมได้เป็นใบแต่ในสมัยหนึ่งที่พระองค์ทรงเป็นเด็กจําความได้แล้วนั่งอยู่บนตักของพระราชบดาที่เป็นพระราชาในวันนั้นปรากฏว่ามีพระราช บ, บริการในพวกตุลาการก็นํานักโทษก็มาบอกว่านักโทษพวกนี้เป็นโจรห้าร้อจำพวก จะปล้นเดือดฆาทำอันตรายกบับบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รับความลำบากขอให้พระมหากษัตริย์ทรงีิพากษาโทษประหารชีวิตบุคคลนี้ทั้งหมดให้ตายตกไปตามโทสารุโทษที่ตนได้กระทำไว้เมื่อพระองค์เป็กนกษัต ร, าาริย์แม้บรรดาข้าราชบริพารและตุลาการเขาพร้อมใจกันอย่งยงางนั้นก็จําเป็นต้องสั่งนิง เมื่อสั่งเส้นให้เราข้าแล้วก็เตมมีในสมัยที่นั่งอยู่ที่ตักบิดาก็ตอนนั้นเราเลึกขาดเลยันเป็นพระโคติศักที่มีบา ร, รมีสูงแล้วเป็นปรมัตถบา ร, รมี <c oughs> เกิดมาไม่จําเป็นที่จะต้องบําเพ็ญบา ร, รมีอะไรเพิ่มเติมจิตประยุคติยาณก็ปรากฏดตั้งแต่วันเกิดเห็นพ่อสั่งข่าคนก็นึกถึงตัวว่าในชาตก่อนเราเคยเป็นกษัตริย์มาแล้วเราเคยสั่งข่าคน อ, อย่างนี้ เมื่อเราตายจากความเป็นกษัตริย์เราก็ต้องไปตกนรกไม่อยู่ในเอวจีมหานารกถึงพันปีนรกและจะได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้นี่ถ้าเราพูดต่อไปเป็นคนดีอย่างเขาทําอย่างเขาต่อไปเราก็ต้องเป็นกษัตริย์เพราเราเป็นลูกของกษัตริย์แล้วก็ต้องสั่งฆ่าคนอย่างนี้แล้วเราก็จะกลับไปลงนรกอย่างที่แล้วมา ทรงยัไม่ทรงตัดสินใจว่าเราจะทําตนเป็นคนที่ไม่พูดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาจะได้ไม่เลือกเราเป็นกษัตริย์ถ้านับตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ไม่ยอมพูดในเรื่องราวของพระเตมีใบความจริงท่านไม่ได้ใบแต่ว่าท่านไม่อยากพูดด้วยความไม่อยากเป็นกษัตริย์ในระบันดาผู้ฟางทั้งหลายปโปรดทราบ ให้รู้ว่าความเป็นกษัตริย์ไม่ดีอย่างนี้ ฉ, นนฉันจึงไม่เลือกในสมัยที่ฉันเป็นพรหมก่อนที่ฉันจะมาเกิดฉันไม่ยอมเลือกเป็นกษัตริย์เพราะเกรงอาการอย่างนี้กษัตริย์ที่ฉันเคยเป็นมาแล้วแต่คนที่เขาไม่เที่ยวเขาจะทวนได้อาการอย่างไรฉันไม่รู้แต่อยากจะรู้จริงๆก็ทำปุบเซนีวาสารุสติ ญ, ญาณให้ปรากฏอย่างฉันเขาจะไม่เสียงฉันเขาจะไม่สงสัยฉัน ถ้าต่อมาจะคิดต่อไปว่าฉันทําไมไม่เกิดในตระกูลเศรษฐีหรืออาคลำมหาเสนาบอดีมันก็มีอาการอย่างเดียวกันไอคนที่มีภาระมากตาแหน่งมากใหญ่โตมากมันก็มีภาระอย่างนั้นเอาดีไม่ได้อันนี้ฉันจะไม่อธิบายแตที่ฉันมาเกิดในตระกูลพ่อฉันแม่ฉันนฉันเลือกเอาทําไมก็เป็นตระกูลที่เกี่ยวกับว่ามีกินมีใช้หรืออาจจะพอกินบ้างไม่พอกินบ้างก็ได้ ใ <c oughs> นกนนีที่เหมาะสมกับฉันม อ, อย่างหนึ่งในสมัยที่ฉันเป็นพุทธภูมิก <c oughs> ็คือท่านพ่อเป็นคนมีสัจจะท่านเคยเดื่มสุร า, ามืพบพระคือหลวงพว่อปานกับครั้งแรกท่านก็ถวายสุราแต่หลวงพว่อปานตั้งแต่ยุค27เรไม่ยอมดื่มตลอดชีวิตแม้แต่กรสายยาท่านก็ไม่ดืม่ม สำหรับท่านแม่ก็เป็นนักบุญในกลุ่มนี้เป็นตระกูลนักบุญมีลุงหลายคนที่ได้ฌานสมาบัติแวท่านแม่เองก็เป็นนักภาวนาท่านพ่อเองก็เป็นนักภาวนานักสวดมนต์มีความเตดิ์ ส, สิทธิ์ระชาบ้านเป็นที่เคารพสักขีอของผูคนคนที่แก่กว่าท่านก็ยอ เ, เรียกท่านว่าคายอมรียก่นว่าพอว่าแม่ จิตเป็นอย่างนี้ก็สายสัจธรรมของท่านถ้าท่านปฏิบัติใน market, ध, न न ธรรมะของพระพุทธเจ้าตามที่บารมีท่านจะช่วยได้เมื่อก่อนทนจะมาเกิดนติเจรณาว่าแต่กูนี่แหละมีวงงานแคบๆมีงานไม่หนักนะเพียงแค่ทากินเลี้ยงตัวจะมีจิตใจตั้งอยู่ในสัจธรรมท่านไม่ลงมาเกิดเรี่อาการร่างกายของผมพูฝังตัวาบ ตมนี้ถ้าเราใจเห็นร่างกายแล้วจะเห็นร่างกายเป็นผีวทองคําเพราะว่าทองคำในเรืองรามมีแสงจากกายออกจากกายที่จะทองคำธรรมดาแม้คำทองคำธรรมดามีได้การสุกใสเฉยๆแต่ว่าการทองคําของปมเป็นร่างกายนีนปรากฏจะมีแสงออกจากกายเลยให้ที่ท่านแม่เห็นเป็นเครื่งก็จะบอกว่ามีเพชร ว่าดับเป็นตัวแล้วก็หมายความว่าเครื่องเฟงมันเองเป็นจะเป็นแก้วมั น, โนิโตะแพร่คราว ท, งทังตัวฉันจุดติดลงมาในร่างของตมที่ให้มันดาเห็นนี่เป็นการยืนยันลายคำที่มันดาของฉันบอกบอกว่าท่านเห็นพระพุทธรูกความจริงนะพรตมทนะําไมริกยกาเราคนนี้ของเราเห็นกับพุทธรูกคนน เขาเป็นพองอารามอย่างนั้นใครจะคิดว่าเป็นคนแล้วเป็นเจ้าบ้านเขาต้องคิดว่าเป็นสัตว์ถ้าผมก็มีความรประพสติผาดอยู่แล้วแต่การเกิดในชาตินี้ฉันก็ตั้งใจจะมาเกิดพระบำเพ็ญเมตธรรมบารมีด้วยการบวชตลอดชีวิตฉะนั้นคู่ครองต่างๆที่เป็นคู่โดยตรงของฉันที่มาพบกันแล้วจะมีอํานาจให้ฉันต้องไปแต่งงานร่วมจึงไม่มีใครลงมาเกิดมีมากมาย แล้วจะได้ทราบในการต่อไปขึ้นมาที่ในตอนต้นของฉันฉันได้กล่าวมาแล้วว่าฉันเกิดในคันมารดาโอมันดาของฉันฝันไม่ได้เห็นพระพุทธโลกที่ประดับประด า, เ, าเพียบเต็มตัวความจริงท่านเห็นสมให้รู้ึกว่าตาท่านก็ดีมากคําว่าตาในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นสมาธิตั้งทั้งที่ท่านเป็นคนครองเรือนมีสามีม ในการร่วมรัตสามีตามกฎธรรมดาของชาวบ้านที่ยังมีกิเลสแม้ก็ต้องก็สามารถเห็นสมที่จะมาเกิดเป็นลูกของท่า น, นาได้เลยรู้สึกว่าท่านก็เป็นคนน่าบูชาคนหนึ่งผมแล้วก็แต่คุณที่ฉันจะมาเกิดวันนี้่อฉันมาเกิดแล้วมีอะไรติดตัวของฉันมาบ้างที่ฉันคุยว่าฉันเป็นสมเอาก็ว่าจะไม่เล่าหรอก เราจะไม่พูดเรื่องนี้แต่าพูดกับไปดังบ้านแล้วเอ้ามามันพูดแล้วก็พูดกันไปตามจังหวะเล่ากันไปนะฟังแล้วบอกฟังนิทานหนึ่งโกโก้แก่ลําคานแก่ฉันมาเกิดฉันมีอะไรติดตัวฉันบ้างฉันจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ฉันจําความได้ฉันมีอาการอย่างหนึ่งที่ปรากฏในจิตเป็นอาการของฌานเม่ฉันได้สึก ตัวว่ามีตอนที่นั่งนั่งสบา ย, บายมีฟังใครกูดครือก็ฟังพระเทศฟังพระสวดมนต์บางทีก็นั่งอยู่เฉยๆมองดูอะไรเป็น ๆ, นๆจิตมันมีอาการสงัดดิ่งมีความเยื่อเยินถ้าพักหนึ่งก็มีการหวาวหวิวคล้ายๆก็ตกจากที่สูงอาการอย่างนี้นอาการของตุกคนผู้รงปฐมฌานจะเช่ได้ไม่นานการพักจากการเรียกว่าจิต ถ้าจากฌานเมื่การหวาดยิวอย่างนี้จำไว้ถ้าคนที่มีสมาธิเข้าถึงไปถมฌานไปจิตคงอยู่ในานไม่ได้นานจะมีอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อการอย่างนี้ปราศกากฉันตลอดมาแต่ว่าถ้าคุณจะบมดก็มีอาการอย่างนี้ตนตแต่กดไปเรื่อยทนี้มีอย่างหนึ่าา ง, งที่เรียกสันว่าทิศไปจุกุญานมันติดมาด้วย เราไม่จิตต้องอยู่ในระดับปฐมฌานได้เรียกว่าอุปจาระฌานเบื้องสูงจิตที่จะเห็นอะไรต่ออะไรได้เนี่ยไม่เห็นทางจิตนะไม่ใช่เห็นทางตาเห็นเทวดาเห็นผีเห็นคนเห็นพรมเห็นสัตว์ประหกอะไรต่ออะไรนี่เห็นเล็กพลังของสมาธิจะรู้ด้วยจิตไม่ใชรู้จากตาใจรู้บอกสีสันมันนะบออาการอะไรต่ออะไรต่างๆได้ ดังนั้นลูกจเริญสมาธิแล้วมาเข้าสมาธิเต็มที่ก็ฝึกการรู้บางมันจะได้เป็นประโยชน์คือแม้เราต้องากอรารจะรู้อะไร